คิดโฉมนุสตาปฏิลาโภคิดชังมัจจานิริตังคิดโฉภทธานมุปาโธคิดชังสัรรมสว น, นันตีต่อ น, นี้ไปจะแสดงธรรมเทศนาเพื่อให้ทากันได้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชน นับถือพระพุทธศาสนาถ้าหาบริจาคคำสอนของพระพุทธเจ้าคือวกเข้าใจในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ยากที่จะปฏิบัติถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าพาท่านเข้าใจส่งไปภายนอกพอพระพุทธเจ้าสอนคนนั้นคนนี้หรือว่าสอนเรื่องอื่นเรื่องไก่ ความเป็นจริงนะพุทธเจ้าสอนตัวเราทุกคนนี่แหละไม่ได้สอนใครคนอื่นนอกจากตัวเราที่พันเทศนาเรื่องราวต่างๆมีหลายเรื่องหลายอย่างนั้นเรือบทธรรมหลายข้อหลายกระทงบ่าแม้นท่นสอนคนอื่นสอนเฉพาะเราทุกคนถ้าหากคนตั้งใจฟังธรรมเทศนาว่าท่นสอนเรา แล้วจะได้ความเข้าใจเพาเพื่อนสอนเจ้พ่อเราเพิ่อนดิเศอย่างได้อย่างไรเพราะก็เพื่อนสอนเจ้พ่อเราเหตุฉะนั้นทำเศษฉะนั้นนี่นนนว่าธรรมะคือคำสอนพระเจ้าอยู่ที่ตัวของเราว่ามันอยู่ที่อื่นสอนเพื่อให้เราดีคนเราเกิดคือมามเพื่อดีเถือเพะ่นยังสอนให้เราดีมันดีบว่พร่อ อย่างเราเกิดขึ้นมานี่ยเป็นคนเนี่นก็ดีอยู่แล้วละ่ะอันเป็นคนเ น, นนะ่ะแต่มันยังบม่ทันพร้อมมูลบริบูรณ์ทุกอย่างคือก็ไม่หอมันนนะ่ะเกิด อ, อยู่ในป่าในดงกระตานเขากนคู่แกนจันจันนะแต่ว่ามันอยู่ในป่ามันโบมีค่านี่คุณนี่อย่งเป็นคนเขาบามาเห็ดยาโบมาเห็ดทูบหอมขายมันก็มีประโยชน์คนเขาเกิดขึ้นมาดีแล้วทุกอย่าง คือว่ามีอวัยะวะหูตาครบมูลบริบูรณ์ความเพียงมือทุกอย่างดีเลยล่ะแต่หากว่าเรายังบยายามทำตัวของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นไปกว่านั้นอีกมันดีแต่ข้อมแต่สิ่งที่เราจะประกอบให้ดีแต่ว่าเรายังให้ ด, ดีพอถึงได้เถอะเห็ุนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราเฮ็ดดีเพื่อเป็นของมีค่ามีคุณขึ้นมา ในธรรมเทศนาซึ่งจะอธิบายต่อไป น, นี้นั้นกับบได้พูดถึงเรื่องอื่นบุได้บอาเรื่องไก่ยั ง, งเราจะเพาะตัวคนเราให้เรารู้ถึงตัวของตนอย่าที่ยกขึ้นเป็นอุเทศเบื้องต้นวะจิดช้อมนุสบาฏิราโภจิตฉังมจานชีวิตจังแปลเนือ้อขวามา การที่เราจะได้เกิดาเป็นคนก็เป็นการยากการที่เราจะมีชีวิตยอยู่ได้มาถึงวันนี้ก็เป็นของลำบากคิดโชพุทธานุปมพรโธการเกิดขึ้นมาของพุทธเจ้าก็เป็นของหางได้ง่ายคิดชังสัรรมันตะวนหนังการที่จะได้ฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็เป็นของได้ง่ายนี่ การแสดงว่าเบื้องต้นว่าคิดชอบมนุษย์สาวีราผูกการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์โมเป็นของยากบมเป็นของง่ายเป็นของยากเนมอครับนี่ก็แสดงพระพุทธเจ้าสอนตัวเราดีๆเนะี่ยสอนให้เราวิจัรกระลึกได้กระลึกถึงตัวของเราได้ว่าตัวของเราเกิดขึ้นมานะโมเป็นของยากบมเป็นของง่ายได้หรือเปล่ายากเทเดียวที่ได้เกิดเป็นคนนั่นคืกด็ดีคนเขาไม่ค่อยคิดเลยว่าเป็นของในยาก เกิดขึ้นมาเป็นคนนรามันช่ยากอี่หยั่งว่าเส้นเดีหูตาแครงขาเทียมือก็บอได้ปา้นได้แต่งนี่หยังว่าเส้นเกิดขึ้นมาแล้วพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ยากี่หยังว่าเส้นนี้คนต้เข้าใจเรียงใครนั้นดิแมนอยู่บุญกรรมตกแต่งวะให้อย่างดีที่สุดนั้นบ่อนหันก็ะแมนอยู่แล้วพอได้ซื้อแล้วบอได้หาแล้วพอได้ปา้นได้แต่ง บุญกรรมทขาแต่งให้เป็นคนข้อมูลบริบูรณ์ทุกอย่างเขาเกิดสมาเป็นคนดีมัุ่สมันแล้วสมมูลบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะั่งเหลือแต่เราจะเลี้ยงดูพ่อแม่จะเลี้ยงดูให้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาถ น, นะนัดน่นแน่นยุดอกบนฮันแต่ท่นบอกว่าบนฮันใ น, นบ่อาเป็นของยากคือคนเรานั่นคนพูดทั้งมวลจิตใจคุณที่มันจะไปเกิดคุณ ใจทั้งคนเขากับสัตว์ทั้งหลายมันปนเปกันอยู่ดีหมู่เดียวกันอยู่ดีคนกลับกลายเป็นสัตว์ก็ดรบไดสัตว์กายกับกลายเป็นคนก็ไดเปลี่ยนสภาพกันไ ป, ไ ป, ไปมาอยู่คนเขาที่จะได้มาเป็นคนนี่มันเปลี่ยนสภาพตั้งแต่สัตว์มาโดยลําดับมาเติบโตเปลี่ยนสภาพมาโดยลําดับกว่าที่จะมาเป็นคนหรือเป็นคนก็ตามเรับ เป็นคนก็บุคือกันนี่บางคนนะ่ะคนที่คนมีการว่าใบเสี้ยจระดิษพิดมนุษย์ขาดอาไว้เยวาวะผสมบูรณ์บริโวนก็มากมายตรงไหน น, นี้มันเปลี่ยนมาโดยตรงลมันเปลี่ยนมาประทันพร้อมถ้าจะว่ามาเปรียบมือนกับน่วยมักบวกนี่แหละคนเฮาที่จะได้มาเกิดมันเป็นส่องเป็นหูอยู่บ่เช้ว่าจีหูบ่เช้กี่าส่อง ที่จะได้มาเกิดเป็นซองมาเป็นคนนะน้อยซะเละเกินซองเดียวหนึ่งเบิงดนโดสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกอันนี้ตนะั้งแต่อยู่พื้นแผ่นดินอันนี้สัตว์หมูหมาเป็ดไก่สร้างมาางวคุเลยเราพัดนับบทวนมดแมงนกนกผู้ปีกหลายขวกแท้แทีเลยโมนั้นก็มูขวกวเดียวเท่านี้ล่ะ เขาเคยเมื่อเกิดไปแล้วของมันนะเขาพ้นจากมนันมาเพราะบุญกุศลส่งให้เราจงใครเกิดเป็นมนุษย์ที่บุญกุศลมันยังน้อยมันเพ่ได้มาเกิดมันยังอยู่คุณต่ําอยู่คุณอันที่เรามาเกิดเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนจึงได้ชื่อว่ามันหลีกมันดีจากเขามาแล้วคือมันดีจากเขามาจะ่เขาเมืเกิดเราเป็นคนเราที่เราที่พนว่าะวายญาต จะมเป็นคนม่ายากียง่ายขนาดนั้นเพราะน้องบนหันดอกมันเปลี่ยนจาภาพมาหลายทอดหลายเทยอะไรยังใคยมาเป็นคนนะสิเอาละว่าถึงเป็นคนเก่าเถอะบางคนเป็นคนว่าไบรท์เสียจีวิตพิดมนุษย์บทสมบูรณ์บริบวน์ก็มากมายล้วงหลายหรือบางคนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์บริบณ์ทุกอย่างแล้ว จะมีการลำบากฝืดเครืองโดยการทำมาหาเลี้ยงชีพจิตใจยังต่ำซ่าเรวสามเป็นคนอันธทภานเป็นขี้ลักขี่ขโมยเป็นขี้ผินขี้ซาสารพัดทุกอย่างบอกเขาวัดเขาวาเว้ยจากศีลจะกฐานเว้ยจากคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ก็ยังมากมายลงหนัก เหตุนั้นจึงว่าเราที่มาเป็นคนได้ขนาดนี้นั้นนะจึงว่าเป็นของยากคนว่าอย่างสันหลวงพ่ทีเจ้าพูดว่ายากสี่แล้วเขาบอยากอันลูกเป็นตัวขึ้นมาในโลกยากหรอกอันเขาย็นว่าจะเกิดในโลกอนี้นะมันเป็นเองเกิดมาเองดอกบ่อยากอย่างนี้บ่อได้ปั้นได้แสงยากบ่อยยากอยงเาเป็นเองมันยากที่จะเป็นมนุษย์นี่นะท่านหากเรามาคิดถึงเรื่องของยากสี่แล้วนะ ควรที่จะถนอมหอมหักรักษาอันที่เราได้มานี่ยนะของอย่ากๆนี่นะให้ฮักให้แข็งที่สุดแข็งยังไหนวะจ้ะฮักแข็งของที่เราได้โดยย่างนึงเพื่อให้ถนอมหอมหักรักษาอย่าให้ทำขุมสัวมันจะกลับไปเป็นของเก่ามันจะลดจากมนุษย์ไปเป็นงัวเป็นควายเป็นซ้างเป็นม้า เป็นหมูม้าเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นอสูรกายกระจกนรกฐนาให้รักษาบนฐานะเอพ้นมาได้ใงขนาดนี้คนว่าให้รักษาไว้ให้ดีอับนบ่ฐานดอกของที่หาได้ยังยากจะคิดบนไปนอย่างแก้วแว่นแตสตลิงเงินทองที่ของหาได้ ย, ยากก็ เ, เถอะอย่างว่าเด็กแก้วช่างเงินึังคําคูณที่สุดหามาตั้งแต่ใดแต่ใดเมาหลายส่วนคนก็บเวยได้เคยมี บุญภาวะตกหล่นมาถึงเขาหอดได้แก้วหน่วยหนึ่งค่าคูณที่สุดทํามาห้ากินค่าขายรุมรวยเจริญมโหงาเราเชไปทิมเถียนเถีนแก้วน่นะเราเช่ไรักษาเถียนว่าเชจ่ไปทิม้ถียนบ่ไผ่ะ่ไปทิมเ่อไปทิมก็ ไ, ม, ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่สิบ้าแล้วจรงจัแต่ที่มันคนดีได้วะคันห้อจงว่าของดีหายในยาจะเทารักษาไว้กว่าคนอื่นขอเ บ, งอบิงเขากูไปยางเบิ่งไม่ย่งงางสมรักหรอ ท่านเดีวยวม็จะนคนรักษาของดีไว้ได้ตัวตนคนเท้าเกิดขึ้นมาก็คือกันทั้งที่เกิดมาที่แรกเขารักษาตัวเขาไม่ได้พ่อแม่รักษาใหา้เลี้ยงดูมาจนเติบโตการรู้จักภาษาเร่้จัดดีจัดจุ่แล้วเขาจะรักษาความดีไว้เอาความดีมาใส่นั่นว่าใส่แก้วเหนือนี่แก้วข้ามแก้วคู่น น, นี่คือตัวของเขานี่ ถ้ามันสมคุดค่ามันคือเขาได้แก้วหน่วยดีๆอย่างนั้นนะเขาว่ชช่าจะเอาไปทิมเล้เขาไว้ของเอาใส่ของที่ดีๆเลยเอาใส่แหวนใส่สายสร้อยที่แหวนกับเป็นแหวนทองคำนั่นเอ้สายสร้อยกับสายสร้อยทองคำนั่นเองเขาเอาใส่เขาว่ชช่าจะเอาไปใส่อันอื่นเลยว่ชช่าไปใส่เสื้อใส่ปอกนั่นเอง เอาไปมาดแขนใส่เสื้อใส่ปลอกใส่สั้นขเขาบ่กเฮ็ดสั้นได้ก็แขนใส่สายสอยทองคำมันจะได้มันยังคุ้มค่าสมข่าสมคุณกันอ่นตัวของเขาเป็นของหายากก็เช่นเดียวกันพวรที่เราจะเอาของดีมาใช่ของดีในโลกนี้ไม่หยั่งเสร็จแกเปลี่ยนแทนจริงเพิ่นก็บอกของดีเงินทองเพิ่นก็บอกของดียูแต่ยังบอคุ้มข่าเพราะของทั้งหลายเหล่านั้นเน่ะเป็นของตามอันนี้มาดิ แย้แว่นแยจิ้งเงินทองเข้าของบ้านเฮือนชั้นผ้ทุกอย่างอย่างมันตามันแก้วลูกนี้มาเด้คือตัวขงเขานี่ขั้นบุมีแก้วลูกนี้เราของมันนั้นบุมีอีดอกแก้วลูกนี้มันยังดีกว่านั้นอีกแก้วนั้นมันระดับอย่างบุพอเถอือเหตุนั้นจึงว่าเยื่อสภาจงงมงายรูปหลงเกินไปนักเขาของสบัด บ, บ้านเฮือนอยู่ต่งตางๆก็ดีเขาตายแล้วไปนั่นได้เรามันบุ๋มกุ้มขานตัวนี่ อันนั้นเพียงจะว่าเป็นเครื่องห่อหุมเล็กๆในน้อ ย, อยข้าวังก็ผ้าชีา่ให้ผ้าที่ขาดทำเรือเ่องห่อแก้วห่อแหวนข้าวบันั่นละอัของนั่นนะ่ะท่นานบอกห่อคนจะไปจิเห็นห่อมันไว้อันนี้ห่อมาเลี้ยงดูบ้านเฮือนสําหรับเขาอยู่จีได้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วคู่ทั่วขาวเมื่อเราบ่านตายเงินทองก็ของเราหามาได้ไปใช้ไปสอยทําบุญนำทานท่นานบอกเฮ็ดบุญนำทานจะมีประโยชน์อีกอย่ง ไฟจีง่ายหอบทองคําอย่างว่าอันนึ้งกะดีฉันเอาไฟจีง่ายหอมันกับเราได้เดี๋ยวให้คุณได้ทายมันได้เดียเงินทองเขาขางว่าแม่งของผิดตตามวไปได้ดอกของดีคนนั้นยังมีอยู่แก้ั่ก็เสดเลิศกว่าสิ่งใดดังของมั้คือคุณเพรคุณประทัมประสบเราอยสุฟากันทอดถิ่นเอาไว้ประดับประดับในบ้านในเฮือนประดับในสวนในตัวของเรา อยู่บ้านอยู่เฮือนเนี่ยเคมีไหวพริบภาวนาส่วดมนตวนสวดพรทำบุญจักบาตรหยาดน้ํำจะให้ขาดประดับจิตประดับกายประดับใจประดับกายคืออย่างไรท่านคนมีคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่แล้วรู้จักจังกรมคนลบนุบเนอบกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนั้นประดับกาย ประดับใจคันเอาเฮ็ดแล้วจิตใจฟองสายเบิกบานจิตใจล่าเริงจิตใจมวนซื่นอิ่ม อ, อกอิ่มใจเอาเฮ็ดดีเฮ็ดงามกันแน่อันนั้นประดับใจค่านผู้ใดยังมีธรรมาคือว่าการนั้นเรื่องที่พระพุทธธรมประสงค์เป็นเครื่องอยู่จะนั่งจะนอนยืนเดินจะรับจะนอนวันใดตื่นมาคดีมวนซื่นอยู่กับใจเจ้าของผู้เดียวอิ่ม อ, อกอิ่มใจอยู่ในใจของเจ้ของผู้เดียวนี้ผูดด้ใดเห็น่ อันนั้นเป็เครืงประดับถึงแม่เราเจ็บแล้วป่วยแล้วตายแล้วก็เอานั้นเป็นเครื่องระลึกยิ้มโอเคมใจกับเรื่องนั้นะคิมมัดของภายนอกเพราะเราจะบทิ่มอยู่แล้วเอาไปน้นประดัเอานั้นเป็นเครื่องประดับใจแล้วไปดําหอดโลกหนาอันนั่นแหละที่เรียกว่าเอาเครื่องประดับแก้วอันนี้ทั้มันคุ้มค่าแก้วสืตัวของเราเนาจิตโฉมมนุสบติลาโภการที่ได้ เป็นมนุษย์นี่โอ้ยเป็นของดีวิเศษทันได้ของดีวิเศษแล้วนั้นให้หาเครื่องประดับของดีมาคุ้มค่ากับของดีมีประโยชน์ด่าอธิบายมานี้อันนี้เบื้องต้นพ้อแรกคิดชังมจาในชีวิตต่างชีวิตเป็นของหาเดญญา่ยากเพิ่นว่าอย่างสั้นเขาทุกคนนั้นบ่ได้คิดคำหนึงถึงเรื่องชีวิตเป็นของทนทุกไดญญ้นยาก ทาทุกวันเนี่ยนี่ชีวิตที่เป็นมานะั้นด้วยการทรมานและกรรมในบริมวนของสบายเลยคิดลืมคิดจะสิ่งอ่ะอยู่แล้วเมื่อแลาย ว, วันไปได้ลืมคิดลืมนึกจสิอ่ความเป็นจริงโธ่บะแสดของง่ายเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งอดทนว่าเท่าไหล่ละไม่อยากคิดเท่าไหตื่นขึ้นมาหน้า ย, ยัางอยากกินเขา ก็ไปหาจินไปตลาดถ้ามีเงินถ้าบ่กมีเงินก็เข้าป่าหาขุดเอาไม้แกบพักนางเอ้หาพริกหาเกลือมาก้า ม, มาตามํำจีนทนทุกข์ทรมานคือมันทุกข์นั่นแหละจะเข้ามาแก้ทุกข์หาเรื่องมวกนั้นมาแก้ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์ได้ส่วนบุตรทุกข์ได้ผู้มีเงินมีทองเถอะก็เชื่อว่ามันสาบายเงินทองพวมันไปไปตลาดเองดอก เขาเนี่แหละไปเขาเอาเงินนั่นแหละไปไซ้ตลาดไปจ่ายตลาดกะดีไปซื้อสิ่งที่ของกะดีเขาไม่ต้องไปพิเคี่ยค้าเขาดอกเขาเนี่ยเป็นพคี่ยขามันอีกเขาเป็นคนหาเขาเป็นคนใซ้์มันให้มันใซ้เขาไทนท้อไปเพราะมันเขาใซ้มันดอกมันใซ้เขาไปตลาดมันใซ้์เขาไปซื้อของขึ้นมาแล้วมันใซ้เขาเฮ็ดเฮ็ดต้มเฮ็ดแกงเฮ็ดปีงเฮ็ดจีเให้รากเฮ็ดก้อยเขานี่ยละมันไซ้์เขานี่แหละเฮ็ดทานเฮ็ดแล้วก็ไซต์เขาจีน กินแล้วกะเันกนรว่ากันง่ายๆก็ใส่เขาถ่ายเขาเทภาษาทางเมืองใหญ่บ้านใหญ่เขาเททุก่คนถ่ายทุกคนว่าคือไปไปถ่ายทุกไปนอกบ้านคนเดีไปส่วนมางคนไปถ่ายทุกกับว่าภาษาเป็นสุนภาพเป็นไปถ่ายทุกมันดังเมียนี่เลยมันทุกกินแล้วก่เศร้ามันสนุกตัวกําลังกินนอี่มมวนซึนโอ้ยอวดกระโนซันบางคนผู้คนมักหน้ามากเกลียดเลย ฉันได้กินของดิีๆเส้นั่งคัสมารหัวยิ้มอยากให้คนเบิงอยากให้คนอื่นเห็นเพราะตัวได้กินดิบกินดีมาเวลาไปถ่ายในรีคักปันได้อายปันได้ทนทุกข์ทรมา น, นยิ่งไปถือของบุ่นีว่งามก็แต่แล้วไปเลลวลามันเจ็บก็แล้วแต่ห้วยแลนเนาะั่านไหวปันไดก็ะโโบะไหวย่านท่นเห็นกับปันนั้นมันสุขมันเป็นยังไงอย่าคิดบนกระคักน คนทุกข์นี้เลยชีวิตของคนหกก็จะเป็นมาได้จนฝานนี้อันนี้ทุกข์อันหนึ่งอ่ะทุกข์ประจำแล้วนี่ทุกข์นอกอย่างนั้นอีกทุกจอนมาเป็นเสื้อเป็นทีนั่นทุกข์เพราะเจ็บเพราะไข้ทุกข์เพราะป่วยเพราะลำบากเจ็บหูเจ็บตาเส้นไข้เส้นหนาวปวดบัดปวดไอเจ็บหลังเจ็บแอวนั่งเลยสิก็ทุกข์เลยเสื้อบวทุกข์เลย แตข้าวเยาว์เอาสบายสุขสุขสุขนลืมหนักลืมทุกข์อันนี้พระนบุคคลจากทุกข์ลืมทุกข์พระพุทธเจ้าพูดว่าลืมทุกข์ว่าจคือเมาในทุกข์นั่งจักเมื่อยเจ็บแข็งเจ็บขาปวดล้างปวดเอวอันนี้เหมือนว่ามันสุขมันทุกข์คือการพนั่งเมื่อยแบบลุกลุกเมื่อยกบบเดินไปย่างย่างไปมาเมื่อยแมานั่ง นั่งเมื่อยไปนอนนอนน้อยเมื่อยคือกันน่ะนอนด้วยกับพี่คนที่ๆกัน่ะหาวันสุขก็ได้ดอกจึงว่าโอ๊ยกลัวมันจะเป็นคนมาได้ป่านนี้ชีวิตมันยืนเอาป่านนี้มันทนทุกข์ทรมานแสนทนเลยบางคนทนมาไหวแล้วตายก่อนก็มีตายเจอว่นทั้งเกิดก็มีเกิดมาแล้วก็ทนมาไหวทุกข์หลายยังนอนยันพออ้อมตายก็มีบางคนพอครึ่งคนกลางคนตายก็มี อันนี้เังว่าบุญหลายแต่ว่าพวกเขามาเห็นหนาเห็นต่างกันเจป่านี้อายุสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบป่านี้ก็โอ้ยบุญหลายแชนหลายแลพิ่งยังว่าคิดโฉคิดฉังมัจจาในชีวิตต่างการที่ได้ชีวิตมาถึงขนาดนี้เป็นของหาไยง่าทสุดนี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามคิดโฉพุทธานุมปปาโมทถา การที่จะได้เกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์โมเมนของหนาพระพุทธเจ้าบําเพ็ญวาระมีทั้งเสียสังขแสนกลับแต่ละองค์ละองค์มีบทแทนของหน่อยเรียกว่าเสียสังไขงัยแสนการนี่อย่างเร็วได้หน่เรียกว่าปัญญาธิกะคือปัญญาว่างไว้ที่สุดผู้ได้สําเร็จเสียสังขัแสนกลับผู้ที่เป็นวิริยาธิกะแต่ละสงังขคือความเพียรมาก แตปดอส้งไข่แสนกาบเป็นข้อยเวรนู้ทีเจ็บผู้ที่ศรัทธาแก่กล้าเรียกว่าศรัทธาที่กล้าสิบหกอส้งไข่แสนกาบเป็นขอยเวรผู้ทีเจ็บควาว่าอาส้งไข่ในที่นี้นั้นนับไวได้แตนะ่จึงเรียกว่าอส้งไข่ท่า น, นี้กาบได้ข่า น, นี้ท่าว่าเเรื่องกาบกันโอ้ยเขเหลือที่จะนับหรือไงปุ๊กมาเปรียบกกาบเฟินว่ามีขุมมาหนึ่ง พ่ว ง, งโยดหนึ่งสี่ 1, สิบเซนแล้วโยดหนึ่งสี่สิบเซนและถึงปีทิพย์หนึ่งคือว่าร้อยวันร้อยคืนของพวกเขานี่จึงค่อยเป็นวันหนึ่งของวันเมืองทิพย์อันนี้ชิดชิดสองวันนี่เขาเป็นเดือนสามสิบวันนี่เขาเป็นเดือนชิดสองเดือนนี่เขาเป็นปีเมืองทิพย์ ปีหนึ่งของมงเทียบเขาเามางาวว้ทิมมึงเหนือยหนึ่งเ ม, หงงห ม, มดหนึ่งจนกระทั่งหลุมมันน่ะหนึ่งโยนหนงวงโยนหนึ่งลึกยหนึ่งเต็มอันนั้เพื่ว่ากับหนึ่งลอาคิดมงดูไม่ใช่นานหัวปานใดอันนี้ว่ากับเด้กำลนดกลัาบเด้ถ้าต้องขายได้กำลังรถโบได้หรอถ้าพระเดจเจ้าแต่ละองค์องค์ที่จะมาเกิด น, นั้นนานขนาดนั้นจะได้เป็นพระดจเจ้าเมื่อพระเดจเจ้ามาเกิดนั้นยังว่า พวกมนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้รับแสงสว่างเพื่อเห็นดีเห็นสวเห็นบาปเห็นบุญคุณโทษเพราะพรพุทธเจ้ามาโปรดมาสอนพระพุทธเจ้าจะมาเกิดแต่ละองค์แสนยากที่สุดปฏิ เ, เหตุใดง่ายๆบางเพรนวัมือข้อ ม, มูลวัตถุทุกอย่างกระะเลือดเลย่นึงอ่ะท่านก็มาเปรียบไว้ พื้นแทนประเพียนี่น เ, เนเี่เลือดเนื้อเทืปเจียเลือดเทือปเจียไอ้เนื้อทเทือปเจียวสละพื้นแทนประเพียนี่เนี่ยนาทสองแสนสี่หมื่นโยต์ว่างสองแสนสี่หมื่นโยตเนื้อที่สละเท่ากับแผ่นดินเลือดเท่ากับแม่น้ำมหาสมุทรทั้งสี่กระดูกเทือปเจ้า ย, ยอมสละเพื่อควาเพรีบอ ร, รมิมนั่นมากกว่าภูเขาที่เนโนลา พระอมาเปี ย, ยกอะไรขนากลัวจะได้ไปเป็นผู้ได้เจ้าบุตรสาเหตุง่ายๆเมื่อเป็นผู้ได้เจ้าจึงว่าเป็นการหา่ากที่สุดนี่เรียกคิดโฉพุทธานุปปาทุกการเกิดเป็นผู้ได้เจ้าเป็นของยากลาบากที่สุดมีบางคนที่ปาณาติผู้ได้เจ้าเช่นผู้ได้เจ้าของเราเนี่ ได้พระญามีพระเจ้าที่ฟังก่อนพระยากรว่ะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนื่อในอนาคตข้างหน้าเอานี่นานพันนายู้ละพระโกดมรมคูผู้ละสี่พระองค์ข้างหน้าผู้ละพระเจ้าตายแล้วเกิดตายตายแล้วนิพพานแล้วเกิดมาใหม่นิพพานแล้วเกิดมาใหม่องค์ที่สี่ข้างหน้าผู้ละเอานี่ดีอกดีใจว่าตัวจะได้เป็นพระพุทธเจ้าคือที่ได้เป็นมืออื่นมือเฮานี่ความดีใจขเพันนาย มัมเท็นวัลามีมาเลื่อยมาตั้งแต่นามสัาสสอสงไขยแสนกลับจนงค่อยได้ปเกพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสี่อง์เจียงได้มาเกณฑพพุทธเจ้าเจียงวาเป็นของอยากที่สุดคิดชั้นกฐธรรมจ้าหนังข้อที่สี่การจะได้ฟังทำคำสอนพระพุทธเจ้าวนของง่ายอยากช่ยุ่มอันนี้นะ คนทหลายไมัน so ช er kind of ่ยากงยฟังเทศฟังมาได้ก็ได้ตัวสิ่ง่็เทศทัวบ้านทัวเมืองสุ้มอุวันนี่ยนอนอยู่กับเงินก็เที่อยู่ฟังก็ได้มันไว้ยากดอกฟังเทศเทว่าอย่างศัมันยากบว่หนึ่งมันยากสิ่อันฟังมันฟังได้แต่ยากทีเข้าใจบม่อจะเข้าใจทำคำสองก็วยังยากกว่าทำอันฟังก็ได้ฟังก็ได้ดอก ยากที่จะได้ทําคําสอ น, อนพระเจ้ารู้จักทําคําสอ น, อนพระเจ้าอย่างที่ได้ฟังในวันนี้แหละถ้าหากพาการเข้าเข้าใจทังเรื่องว่าการได้เป็นมนุษย์มานี่แม่มันแสนยากที่จะได้เป็นมนุษย์แล้วเห็นคุณค่าของมนุษย์แล้วก็สงสารเอ็นดูในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในวยความลําบากแล้วพยายามที่จะทําตนต้นในคุ้มค่าในการที่ได้ของยากสร้างคุณงามความดีใส่ตนต้นให้ได้ คุ้ค่าในการที่เราได้ของดีเครืองภาพชีวิตเป็นของหาได้ยากชีวิตเป็นของทนมาทุกทรมานมาดุนมาดุนโน่นนานโน่มนานจนถึงวันเช่นนี้แล้วพยายามที่จะบ่ให้มันเสียคุณประโยชน์ในการที่เราได้ของยากของดีสร้างคุณงามความดีขึ้นพอคิดได้เช่นนี้เรียกว่าฟังเทศได้ความเข้าใจแล้วก็จะได้สร้างคุณงามความดีต่อไปอันนี้ฟังได้ ท่นฟังสิเดียวกับฟังทำคำก่อนไปได้เจ้าถ้าฟังแล้วๆไปเรื่อๆไปได้รู้เรื่องรู้ราวเนี้ยบ่เฮ็ดเี้ยต่อไปแล้วบ่สร้างคุณงางความดีบ่ละสัวที่ดีต่อไปบ่มีประโยชน์เนี้ยนนั้นเพื่อนเราฟังเนี้ยฟังกันฟังบ่ได้ถอยได้ขวบอันนี้ถ้าหากเราเข้าใจอย่างที่ว่านี้แล้วเดี๋ยวนี้ใจเห็นคุณประโยชน์แล้วจะ ชมเคยบุญบารมีของตนว่าได้เกิดพบุคคลพุทธศาสนาธรมรมคําสอนของพระเจ้าพระพุทธเจา้เจาสร้างบารมีมาแสนง่ายลำบากจะค่อยเด้มาเกิดจึงได้กลุมมาอวัขึ้น ม, มาเป็นพรธเจ้าในโลกครั้งนี้ครั้นี้แเราแล้วมาพบมาปะเขามาพบบิดพ่อเขาดี อ, อกดีใจนักหนาว่าโอ้ยบุญของขูสร้างได้บุคคลมาเห็นพระเจา้าเนาะบุคคพระพุทธเจา้าบศาสนาของเฝันคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่าง เราได้เห็ุนำทําตามที่คํำสอนพุทธเจ้านี่เรียกว่าโชคลาบดีที่สุดหากว่าเราไปเกิดเช่นว่าอย่างทุกวันนี้นี่นะไปเกิดในประเทศที่ผมเรียพุทธศาสนาแล้วไปเกิดในชาต่ได้ช้านี่เป็นมัวเป็นควายเป็นสร้างมากอย่างต่างต่างเลยเลี้ยวถน น, นเอารกบุรี ด, ดีดีเนี้ยไปจมอยู่สิเดบุ๊กแล้วเรามาคิดถึงบุญคุณของพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้มาโกรธพวกเราคิด ถึงโซคลาบของตนที่เราได้ของดีมาแล้วเอาของดีมาประดับไว้ในตัวของตนมาประดับในกายในใจของตนเกิดความดีโอ้ยใจขึ้นมาสิเรียกว่าเราได้พบผู้ใจเจ้าได้บ้างนี้ถึงผู้ใจเจ้านี้พาก็เลยชื่อว่าได้พบเด้นั่นหลยเห็นนะพู้ใเจ้าหากว่าผู้ใดบูชิดถึงอัตภาพชีวิตของตนที่ได้มาอย่างที่ว่ามาเบื้งต้นแล้วก็เกิดประมาทมัวเมาซะเลยโบเห็นคุณของผู้ใจเจ้าแล้วบก็ได้ความดีความดีจากผู้ใจเจ้า ถึงแม้ว่าจะเกิดความบุพเจ้ามาความกับพระองค์ก็ถามครับเลยได้ชื่อบบว่าบโบโเห็นในบุพเจ้า บ, บ, บุพเดชข้าพบุพเจ้าบุพเจ้าบบเราโบมีซะคือกเขาเกิดในตระกูลของผอของแม่ห่าเยีดยดยามดูถูกผอแม่บบคิดถึงบุญคุณของผ อ, องแม่ก็คือเกิดในบนอื่นนั่นแหละขณะคิดถึงคุณผ อ, อแม่แล้วลึกถึงบุญคุณของผอของแม่เราละลึกเคารพนับถือเพื่น ถึงเพ่มีชีวิตอยู่ก็ได้ชื่อว่าแล้วเกิดในตระกูล น, น้องฝนเพื่อนนี้เพื่นตายไปแล้วก็ได้ชื่อว่าพ่อแม่อยู่กับเราเราปฏิบัติตามคำคำสองของพ่อพของแม่ก็ได้ชื่อว่าพ่อแม่ติดตัวของเราอยู่ตลอดกาลเวลาเดสเดนไหนอันทำคำสองพระเจ้าเรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเลจิงว่าการฟังธรรมเทศนานัน้นยากันถ้าหากฟังเปล่นฉันฟังเปลี่ยนแลเป็นของง่ายนี่ว่าถึงเรื่องของสีอย่างเป็นของหาได้ยาก การที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นของหาได้ยากมีชีวิตอยู่ได้จนวันนี้ก็เป็นของหาได้ยากการที่พระพุทธเจ้าเกิอุบัติขึ้นมาในโลกก็เป็นของหายากและการที่จะได้ฟังทำคําสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นของหายากถ้าหากเราพิจารณาถูกฟังถูกว่าเราเกิดขึ้นมาเป็นของได้แล้วโดยง่ายแล้วเราก็ของที่เราได้มาโดยง่ายนั้นได้ชื่อว่าได้มาง่ายแล้วชีวิตของเราเป็นมาถึงวันเช่นนี้ ก็ได้ชีวิวตอันนี้น่ะที่เราทนทุกข์กทรมารมา ไ, มได้แสนยากนั้นเพียังเหลืออยู่วให้เราสร้างคุณงามคุณดีคุณงามความดีที่เราได้นั่นก็คือได้จากพระพุทธเจ้าคือคําสอนของพระองค์เมื่อเราเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาประดับตัวของเราคือประดับกายประดับใจของตนแล้วนั่นก็ได้ชื่อว่าเป็นโชคลาภอันดีของตนแล้วเกิดขึ้นมาบนเสียผลเสียประโยชน์เกิดขึ้นมาผู้พุทธศาสนาก็ยังได้รับแสงสว่างจากพุทธศาสนา เราคนหนึ่งได้ชื่อว่านักถือพ่าพุทธธรรมประสงค์เป็นสาระขีพึ่งผู้ที่นับถือพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเมดตัวขงเราคนหนึ่งก็อยู่ในจำพวกนั้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะอิ่มอกอิ่มใจดียวดีใจในการที่ได้พร้อมกันมาทํางานฉลองพระบวชใหม่ในวันนี้ถึงแม่พวกญาติโยมบวดได้บวชตนเองบวชพระคนอื่นลูกของคนอื่น หากว่าพากันได้ฟังทาคำสอนอันนี้แล้วผู้บวชก็ดีอย่างนี้ผมรับมีศรัทธาว่าพร้อมกันโมทนาเรื่องาแสดงความ <c oughs> นับ